قنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. เราอาจตัว a ม่ต่างกนน و م ن أ ض ل م م ن ي َ د ع و ن و م ن ض ل م م ي د ع و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 Allahumma bika asbahna wa و i k a ك m s a y n a wa bika nahiya wa bika mutta wa ilaika nushur عوذ بِكَ لِمَاتِ اللَّهِ تَأْمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا ي َ د ُ ر ُ و مَا أ َ س ْ م ِ ه ِ ش َ ي ْ ع ُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا ء َ و ْ ه ُ و َ ا ل م َ ي ع ُ ا ل ْ ع َ ل ِ ي ُ ر َ ض ِ ي ت ب ا ل ل ه ِ و ب ْ إ س ل ا م د ي ن و ب م ح د ا ل ر س اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الك ا ل ك ب s a ربي أعذبك و من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ا ا ف, آ ف ي ن ي في بدني و ع ف ي ن ي في سمي و ع ف ي ن ي في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه و ز ي ن ة ع ر ش ه ومداد كلماته ยา حيو ياقيوم برحمنك أسرقث أصله ليشاني كله ولا تكني إلى نفسي ترفة عين حسدي الله ونعم ا ل ي ل اللهم إني أؤمن ب من ا ل ب والجنون ا ل ج ذ م ومن س ئ ي أسكوم ومن س ك و م و ن س ئ ل أسكوم ขอบคุณทุกท่านที่กดไลคครับขอบคุณตลอดนะครับที่เราได้ตื่นมา เราก็เดินมานมาที่มัสยิด้ต่เลื่องนีเป็นความเมตตาที่อัลลอ์ให้กับให้กับพวกเราทุกคนนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ที่บ้านด้วยนะที่ฟังตัปซีอัลกุรอานผ่านฟสวร์ในบ้านนะครับวันนี้มาถึงซูร่าใหม่นะเรียกว่าซูร่าอัลอาฮ์กอฟอัลอาฮ์กอฟเนี่ยมาจ้กคาว่าฮักอฟฮกฟุนฮักฟุฮกอฟ้าอ่านเป็นฮกฟุน ยามาปะปหุพ์คืออักกอกแปล ว, ว่าภูเขาทรายหรือสันทรายภูเขาทรายอยู่ในโลกอาราคือเห็นใช่ไหมมันเป็นทรายลมมันพัดเอาทรายไปกองกันแล้วกลายเป็นภูเขาวสวยแล้วนะถ้าหากกอกแปลว่าโค้งหรืองอหรือบิดเบี้ยวหากพูนแปลว่าเนินทรายหรือสานทรายหรือภูเขาทราย ทำไมต้องตั้งชื่อเอ น, นี้เพราะว่าอยู่ในโลกอารับต่อการจดเตือนในโลกสองที่อัลลอฮ์สร้างมาทักดมนั้นมีมีของดีหมดถ้าใชา้ปัญญาสักนิดหนึ่งก็ก็จะได้จะเด่นนึกถึงอัลลอฮ์สุภาณูฮุตาล้วันนี้มาถึงซูลรอที่สี่4ลายหนนะ้าสี่สิบหกมีมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดซุรอด้วยกันใช่ไหมตั้งแต่ซูรอซุลรอาฮามิมสอจดะ Lepas surah z u k h r u f a d u k h a n Al-Jasiyah, a l a q a f tematkan 5-6 surah dengan de mana Surah Hamim, kunci Hamim ni. <hari> Hamim, t a n z i l u l Kitab min Allahil Azizil Hakim. บิสมิลลาฮิ р ราะห์มานิ рр าะแปลว่าด้วยพระนามเราเริ่มต้นอ่านคุณอ่านด้วยพระนามของอัลลอผู้ทรงบระสริความกรุณาประณีผู้ทรงเมตตาเสมอหามีวิตมีทมุดเจเจหรือหเจ็ดใช่ไหมเจ็ดหเจดสรสุสุดท้าย ตันซีนเปว่าเป็นการประทานลงมาคำคำพีกุ่อ่านนี้ถูกต่อต้านเยอะอัลลอฮ์เล่านะครบมีคนอ่านเล่าไปซ้ำไปซ้ำมาแปลว่าตันซีนเป็นการประทานลงมาอัลกิตาร์คำพีกุ่อา่านเล่มนี้มินอัลลอหิจากคาใครจากอาัลลอฮ์มินแปลว่าจากคำภีรกุ่อ่านเล่มนี้ถูกประทานลงมาจากอาัลลอฮ์ ไม่มีนบีไม่ได้แต่งเองพนนบีอ่านหนังสือไม่ออกเขียนเขียนไม่เป็นขนาดอ่นไม่ออกเขียนไม่เป็นยังถูกด่าเลยล่ะท่นซีลุลคิทาบิมินัลลอฮิลอซิดิลฮะกิมคำพีคนอ่านเล่มนี้อัลอัลกิตาจะมีอลิบลามไปว่าคำพีเล่มนี้ต่นซีนถูกเปการประทานลงมามาจากนาซาลาอันซาลายุยุนในลูก ประุ ป, ประทานลงมาตันซีนเปการประทานลงมาคำภีกรอ่านเลื่อนี้มาจากอัลลอฮ์ไม่ได้มาจากมนุษย์ทั้งหมดเป็นวาฮีหมดเลยทุกาาอายะนการบีกราอ่านเป็นวาฮีทั้งหมดแล้วก็ห้ามบิดเบือนหันห้ามปฏิเสธทุกอายะต้องต้องศรัทธาทุกอายะหมดเลยอัลลอฮ์องค์นามีสิลประชุมอัลอาซิดผู้ทรงอะไรนะผู้ทรง ผู้ทรงอำนาจมีมีอำนาจแล้วก็ฮกิแล้วก็อัลฮกีมผู้ทรงวิทยาบัญญามีความรู้ฮักีมในวิทยาบัญญผู้ทรงรอบรู้ทุศิลปทุอย่างชมอัลลอฮ์นะครับต่อมาอายะที่สองมา خلق الناس ما و ว ت มาบ ل ا ر ض وما بينهما إلا ب ا ل ح มาเอาลากนามแปว่าเราไม่ได้สร้างถึงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายเจ็ดชั้นวันอาร์ดและแผ่นดินว่ามาใบเนาะมาแลเสียงที่อยู่ในระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยมาถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหมดมาลายิก้าทั้งหมดอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาแต่มหมดไม่ใช่เกิดขึ้นเองคนกาเฟตคนอาบมุชลิมบอกเกิดเอง อัลลอฮ์ก็อ่านกูส่งประธานกูอ่านอัจฉริยะกนนารนบีให้นบีมาสอนแปลว่าไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างของที่มนุษย์สร้างเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ให้ให้ปัญญามานะสร้างบ้านเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์สร้างเองนะอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาทุกักคิด น, นู่นคิดนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญที่เรามามัสยิดได้มานั่งที่นี่ได้เนี่ยอัลลอฮ์ให้นะมีความสามารถที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในกี่แบบนะสี่แบบนะหนึ่งนะอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่โตฮาวาผ่านพ่อไม่ผ่านแม่น บ, บีอีซานี่ผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์ทั้งหมดอิลลบิลฮะกี ที่สร้างมาทั้งหมดนั้นมันจะได้สาระมีเป้าหมายฮักกันไปว่าเป็นความจริงมีมีเป้าหมายชัดเจนเรา ส, สร้างพัดลมนี่ไปเป้าหมายชัดเจนอยมาสร้างบ้านมีเป้าหมายสร้างรถมีเป้าหมายสร้างอะไรเขากระแต่ที่บนโลกนี้ที่ทำมนันมีเป้าหมายหมดเลยว่าอาจาลืมมุซัมมาอาจารย์ไปว่าไรนะ เวลาหมดหมดอายุเขาเรียกว่าอาจารย์เราชาจะพอคนนะคนนี้อาจารย์มาแล้วตายแล้วว่าอาญาลิมมุซัมมาแล้วก็วันหมดอายุนั้นถูกกาหนดไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีวันหมดอายุดวงอาทิตย์ก็หมดอายุดวงจันทร์ก็หมดอายุชั้นฟ้าก็หมดอายุว่าอาจารมุซัมม า, มา และทั้งหมดนีถู ก, ก ม, มีอาญาณมีวันเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดเพราะอัลลอฮไผู้บริหารแต่เพียงผู้เองกูเดียวนี่เป็นการเตือนเราให้เรื่องเรื่องอัคดานะต่อมากับอายะที่สามอะที่สอง و ล ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر ُและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธ มาถึงอาราภพโมเชริกินมาถึงพุกเราปีนน้ด้วยในในโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยนะที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธวันกิยามะปฏิเสธตาแล้ไม่ไม่ฟืนเนี่ยอามาอุนซีรูทุกครั้งที่ถูกถูกเตือนให้ให้ให้ให้สำนึกมอริรุนจ ะ, ะไดนะ้น่าจะหันหลังให้จะออกห่างไม่ใส่ใจไม่เคยใช้ปัญญาเลย มันจะใส่ใจสักนิดหนึ่งอ่านก็อ่านผ่านไปอย่างนั้นแหละฉันเราก็ต้องใช้ปัญญาด้วยนะอ่านกูณอ่านมาต้องใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีมีวันหมดอายุใช่ไหมเราเองก็รอหมดอายุนะท่านคนที่อายุหกสิบเจสิบเนี่ยเลิกเลิกทะเลาะกันได้แล้วว่าเล่เคียร์ในอันดูอาบนีฮัสบิยัลลอฮ์วะนิอัมลุอัลกิน อัลลอฮ์องเดียวเป็นที่พอเพียงสาหรับฉันแล้วฮัสบิญัลลอฮวันนี้อัมัลวาคีนและขอมอบชีวิตของฉันไว้กับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้มอบชีวิตที่ดีที่สุดนเวลาเครียดเนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ให้นึกอ่านอ่านอุบทนี้ฮัสบิญัลลอฮวันนี้อัมัลวาคีนถ้าเราไายคนณพระสอนฮัสบินัลลอฮถ้าคนเดียวกือฮัสบิญัลลอฮอัลลอฮ์องเดียวเป็นที่พอเพียงสาหรับฉันแล้ววันนี้อัมมัลวาคีนแล้วก็ ขอมอบชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับอลัลลอ์แต่เพียงผู้เดียวเพราะอลัลลอ์เป็นผู้รับมอบที่ดีที่สุดฉะนั้นเครียดไม่น่าจะมีแล้วเพราะอายุเราก็เยอะแล้วถ้าเครียดให้อันดัเหมือนท่านนาบีสอนนะนบีอยูิวนท้องปลานะนบียูนสุสอันดัาบทไหนที่อัลลอ์ให้ปลาคลาย ลาอีลาฮ์อิลล้าอัลลอฮฺศุภานะค์อินนีคุณตุ้มในททาลิมินแล้วคนนบีอายุก็เหมือนกันป่วยมากี่ปีป่วยมา 8-9 ปีจนกระทั่งนอนขึ้นตามตัวในหมดเลยผมไปพบกับหมอวิชาเนี่ยโ ฮ, โฮมโฮเมโอพาธีเป็นหมอมุสลิม เขาบว่าโฮมโอพาีเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ของมุสลิมเอามาจากนาบีอายุอยุยูนูสที่นอนอยู่แล้วอัลลอ์สั่งนบียูนุสเนี่ยกระทือบกระทือบดินแล้วน้า ม, มันจะพุ่งออกมาแล้วเอาน้ำนี่นา ม, มาล้างงั้นแลาวบวิชาเป็นวิชาโฮมีโอพารตีล้างล้างด้วยนนะ้ำน่ะหายหมดเลยโรคภัยไข้เจ็บหายหมด มันเป็นแหล่งวิชาเดิมของวิชาโฮเมโอพาธีเขาไม่ได้ใช้ยานะใช้น้ำรักษาด้วยน้ำยังหายทำดีๆเลยผมก็เริ่มรักษาด้ยโฮเมโอปาธีอยู่ตอนนี้หมอชื่อซลาหุ ด, ดีนไปนั่งอยู่ที่มัสยิดอัลฮออุดาน้องจอก ผมเามาทำอะไรนี่มามาเป็นตัุสยะผู้ช่วยตุสยะแจ่บ้านอยู่อยู่อะไรนะจำไม่ได้แล้วเอาต่อมาครับกุลอารอไอตุมตะดาวนมินดูนิลลากุลแต่ว่ามอมัดบอกกับคนอาหรับ รงพูดบอกว่า อ, อารอไอตุนพวกท่านคิดดูบ้างไหมมาจะดานสิ่งที่ท่านทั้งหลายวิงวอนขอมินดูนิลาอื่นจากอัลลออารูนีโปดรดแสดงให้ฉันเห็นมาาคอลกมินลอาร์ดสิ่งที่ท่านบูชาหรือว่าวิงวอนอื่นจากอ AH นะัลลอฮน่ะเคยสร้างอะไรบ้างไหมบนโลกดุนยาใบนี้นะ่ะ ให้นบีประกาศต่อหน้าคนอาหรับมุชลิมในนครมะกะหรือ ป, ปัจจุบันนี้ก็ได้ว่าสิ่งที่คุณบูชาอยู่เนี่ยเป็นรูปจเจวตเนี่ยเคยสร้างอะไรบ้างไม้บนโลกดุนยาไปนี้มาจาคอลากูมาจาแปลว่าอะไรคอลากูแปลว่าพวกเขาพวกมันได้สร้างมินอนอาอดินหน้าแผ่นดินนี่เป็นการอารีดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะทำให้ ให้มวลมาถามคนอารั บ, บชิชเชกในปัจจุบันนี้ด้วยทาากับสิ่งที่ท่านบูชาอยู่จะเป็นเงินชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งแล้วก็เจเวตต่างๆเนี่ยสร้างอะไรไว้บ้างบนโลกดุนยาใบนี้ทั้งหมดเนี่ยอัลลอ์สร้างหมดเลยเนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่เจวเวตสร้างอัลลอ์สร้างอามหรือว่าลาฮุมชุลิรกุนชิลกุนมีหุ่นส่วนหรือว่า สิ่งที่บูท่านบูชาในะมีหุ้นส่วนในการสร้างกับอัลลอฮฺฟิสมาวาในการสร้างชั้นฟ้าอัลลอฮ์ถามดีนะถามดีมากให้นบีถามบูซีรูปเจเวตมันสร้างอะไรหรือหรือไม่สร้างก็มีหุ้นส่วนในการสร้างว่ากับอัลลอฮ์นะเอาเอาเอาหลักฐานมาซิว่าคุณมีหุ้นส่วนในการหุ้นกับอัลลอฮ์ในการสร้างมีหรือเปล่า อย่างสร้างมนุษย์เนี่ยคุณ ม, มีส่วนในการสร้างหูหรอสร้างตาหรือจมูกหรืออัลละสร้างแต่เพียงผู้เดียวนี่เรื่องอัตีดาลึกๆเลยนะอิตูนีบิกิตาดิมิงกอบลิจงนำคำัมภีรก่อนๆจากคัมภีร์คุณอ่านนี่ก็ได้เอามาเป็นหลักฐานยืนยันว่ามีหุ้นส่วนในการสร้าง หรือว่าอัลลอฮ์ให้ให้อาละให้คนมุสลิมเนี่ยบูชาจเจวีอยู่เนี่ยจเจวตีตเนี่มันเคยสร้างอะไรบางไม้บนโลกดุญญนยาใบนี้หรือมีหุ้นส่วนในการสร้างกับอัลลอฮ์บางไม้ในการสร้างเนี่ยอัลลอฮ์เอ่อชา้ชั้นฟ้านะสร้างาะอะไรกันหรือเปล่าสร้างดวงอาจารย์ดวงอาทิตย์หรือเปล่าสร้างก้อนเมฆหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์เลยมันจะสร้างอะไรเลยแล้วไปรการาบมันทําอะไร อีตูนจงนํา ม, มาให้ฉันนี่อัลลอฮ์บอกอกับ น, นบีให้กล่าวกับคนมุชลิมอาราบว่าจงนํา ม, มาให้ฉันบิกิตาบิมคัมพีมิงมิก็ไป ก, ก่อนก่อนคัมพีคุรานฮาดาคัมภีเล่มนี้เนี่ยก่อนคัมภีเล่มนี้นมีไหมมีหลักฐานไหมนำเอามาให้ฉันดูหน่อยจะอ่านดึงหลักฐานหลักฐานหมดเลยฉันหลักฐานที่แท้จริงคืออัลกุรอานีดีที่สุด เอาอาซาโรหรือร่องรอยไม่มีหลักฐานก็เอาเอ า, เอาร่องรอยของมันมีไหนมีจากความรู้ของบุตรปู่าตายายของคุณในอดีตเนี่ยมีไ ม, ม่มีหลักฐานไหมนํามาให้ฉันดูหน่อยอิงกุณตุมซอดีกรีนอิงถ้าหากกุณตุมทัานทั้งหลายเป็นคนที่ซอดีกรีนอะไรนะ พูดสัจสัจริงผูดจริงเชื่อจริงมีถ้าคุณเชื่อจริงว่าคุณแน่จริงแล้วคุณเอามาเสนอกำหลักฐานมาเอาหลักฐานเก่าๆของปู่ยาตายาในอดีตตั้งแต่เฟียนโอนก็ได้หามานก็รุนก็ได้อันนีใครเหลือรอยไหมละ่ะก็รุนก็เป็นไงขนาดรวยที่สุดยังยังยังยังตายเลยเฟียนโอนนี่ก็มีอํานาจคือสรุปคือ จะเอาอำนาจนั้นมาม่ใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ก็รูนเอาเอาเงินมาใหญ่ก็อกัลลอ์ก็ไม่ได้ฮามานเอาตำแหน่งนักการเมืองมาใหญ่ก็อกัลลอฮ์ก็ไม่ได้ใครที่หลงอำนาจนี่นะพังหมดนัแหละตอนนี้ก็ให้อยู่ไปก่อนให้ลอยนวนไปก่อนแต่พอบ้านปลาชีวิตแล้วก็จะรู้แล้วว่านเนี่ยเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งเกียรตยช่วยอะไรไม่ได้เลยนี่เตือนพวกเราด้วยนะ มีอาเรมุลมะมาอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีอยู่สามอย่างทําคนเนี่ยหลงหนึ่งดุนยาดุนยาบางคนตัวแทนดุนยามีเงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศนี่ก็ตัวหลอกเลยแหละคนที่มีเงินไม่อาวันรอดอยู่ได้ไหมได้ไม่ไม่น้ำมาน ก, ก็อยู่ได้แต่เอ็งอยู่ได้เฉพาะโลกเดียวนะแต่พอตายแล้วเนี่ยตั้แต่ตัวมาเสียเนี่ยผม นึกเยอะเลยทุกคนต้องตายหมดจะตายยังไงนามาดขาดไม่ได้ยังอื่นยังพอขาดได้นะนามาดนี่ห้ามขาดจะให้บ้านมีบรรกาศให้ทงทีข้อนะแปดข้อข้อที่หนึ่งก่อนข้าวบ้านให้กล่าวบิสมิลลาห์ทุกครั้งเลยข้อที่สองให้อ่านกลอนอ่านในบ้านข้อที่สามให้กล่าวอัสลารุลลอฮ์ในบ้าน ขอที่สี่บถึงเวลานมาสเนี่ยบอกคนในบ้านให้นมาสถ้าพามาสุราได้ก็พามาจะพามาไม่ได้ก็ให้ให้นมาสกันที่บ้านแล้วก็ให้กล่าวให้เตาบ้าตัวต่อรอที่อยู่ที่บ้านแล้วถ้ามีธุรกิจในบ้านนี่นบีสากด้ให้เปิดออฟฟิศแต่เช้าเช้าที่อยู่ในบ้านจะโปรสายและการเปิดออฟฟิศแต่เช้านี่ต้องถามยูซุบบอกว่าเ็นไงดีไหม ค้าขายก็มีมีมีมีบารการก็อันนบีรับรองอัลลอฮ์รับรองว่าทให้ตัวเรว่ามุสลิมเนี่ยค้าขายได้ไห่ได้ให้ทำาธุรกิจให้เปิดออฟฟิศแต่แต่เช้าวแล้วก็ข้อที่แปดอย่าทะลอกกับเพื่อนบ้านมีศาสนาไหนบ้างที่สอนว่ทะลอะกับเพื่อนบ้านมิตรอิสลามนี่แหละ ออกมาจากที่ที่ห้าว่ามันอดอลล์ดอลล่าล้แปลว่าหลงทางมันแปลว่าและผู้ใดอดอลล์แปลว่าหลงหลงยิ่งไปกว่าจะมีใครเล่าที่ที่จะหลงทางยิ่งไปกว่ามิมมานผู้ที่ยาดาเรียกร้องหรือว่าวิงบอลมินดูนิลละ อ, อืจากอัลลอฮ อัลลอเล่าให้นบีฟังให้อาราบมุสลิมิดวังว่าคนที่หลงคนที่หลงทางที่สุดน่ไม่มีใครแล้วก็คือคนที่ไปอะไรนะไปวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ถามว่าสิ่งอื่นนอกจากเราที่ที่ไปวิงวอนช่วยได้ไหมอัลลอฮ์ตอบจากคัมภีร์อุลอนไปเลยมัลลายัสตาญิบุละหูไม่มีความสามารถที่จะตอบรับ อิสติยายาสตาจีบะมาตอบรับคำเชิญชวนของเขากี่วันอีลายาวมิลกีย์มาจนถึงวันกียา์มาเลยเนี่ยรอนล่าไม่ฟังไปขอทําไมกับจเจวดขอทําไมจากคนนั่นคนนี้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายขอจะาโตตะเกีย ก, ก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สัญาอยางไงนะเขาไม่มีทางรับคุณหรอกกี่วันอีลายาวมิลกีย์จนกว่าจะถึงวันกีย์มาเนี่ยก็ไม่รับหรอก สบาใจหลัออกีคิแนะว่าใจในอัลลอฮ์องค์เดียวนะว่าฮุมอันดูาอาริฮิมรอฟิลูนรอฟินไม่ว่าเฉยเมยไม่ใส่ใจด้วยดวูอารของพวกเขาเหล่านั้นการขอของพวกเขานั้นเจเวตเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไม่มีวี่แววที่จะรับรู้ด้วยเนี่ยอัลลอฮ์เล่าแบบชัดเจนแบบนี้เพกันจะบอกให้รู้ว่า สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยมีคนถามว่าเอาเงินนาการเมืองมาม า, มากินได้ไหมบอกไม่ได้ฮารอมที่คนแจกแจกกอะโยหะร้อยพันหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกที่ว่าวเป็นอะไรนะสินบนเป็นลนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งคนที่รับสินบนแล้วก็จ่ายสินบนจะนั้นใกล้เลือกตั้งเนี่ยพี่น้องมุสลิมไม่ต้องรับเงินสินบนจากใครนะอัลลอฮ์เลี้ยงอยู่แล้วครับอย่าไปรับเงินนะ 5้าบ1 0 0บาทร0อยบาทพันบ า, 1, บาอย่าอย่าไปรับมีคนเอามาให้ผมหลายปีมาแล้วที่ผมั้งอยู่ที่โรงเรียนใส่กระเป๋าชมบอลมาเปิดดูเป็นแสนนะบอกว่าคุณเอากลับไปเลยแางง้นเลิกคุยกับผมแต่ผมจะเลือกเลือกเองไม่ต้องมาจูงจูง จ, จ, จ, จ, จมูมกเร า, ามันอดลว จะมีใครเล่าที่จะหลงทางไปกว่ามิมันผู้ที่ยะดิเรเชิญเรียกร้องหรือวิงวอนมินดูนิลาอื่นจากอัลลอม์มาลายัสตาจีบุละหูซึ่งไม่มีความสามารถที่จะตอบสนองหรือตอบรับอียาบเนี่ยบตอบรับตอบตอ บ, ตอบสนองละหูแก่คนที่ขออิลายามิลกิมะจนถึงวันกิ亚马มเุเลย เ, ลเลนี่ยเราเราในชัดเจนใช่ไหม มันคนว่าอีกสิบปีเขาอาจจะรับก็ได้บอกนั้นไม่ใช่จนถึงวันเกียร์มาเนี่ยไม่รับเลยรูปกเวี ร, รับไม่ได้ชื่อเสียงตําแหน่งที่ขอเ้าจะขอให้มีชื่อเสียงนะขอให้มีตำเหน่งอย่าขอแล้วขอให้มีอิมานดีกว่าเพราะอิมานตัวช่วยประคองเราไม่ให้เราหลงทางคนมีอีิมานคนาสงสารคนเขาไม่ตาเขาไม่ด่าคนคนมีอิมานนี่นะครับเขาด่ามาเขาให้อภยัย ทุกดามาให้อภัยนั่นคนที่มีอิมานท่านแสวงหาอิมานทำไงให้เรียนซิฟาตอัลลอฮ์เยอะๆซิฟาตอัลลอ์มีทั้งหมด99าพระนไงไม่ใช่ยี่บนะยี่สิบมันเขาย่อมาให้จะจะรู้จักอัลลอ์จะหาอิมานเพิ่มให้เรียนอะไรนะซิฟาตขออ ah. ah, ัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินให้เป็นให้ตายให้รวยให้จน ไฮโนนไฮเนีย่ยม่ทั้งหมดหลายนะ9เก้าสิบก้าพนนามวะฮุมอันดูอาอิฮมิมดูอาแปลว่าบบการวิ่งบอนขอของพวกเขานั่นก่อฟิลูนเขาเฉยเมยเขาไม่ใส่ใจเขาไม่มีวี่แววที่สดสนใส่ใจด้วยไม่เอาเลยเอาต่อมาอายะทีอาาทีหก วาอิยาฮูชิรอนัสฮูชิร้อนปว่าถูกชุมนุมถูกให้ชุมถูกให้ไปรวมตัวกันเมื่อไร่รือไม่ในท่วงมาชัดหลังจากตายแล้วฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก่อนถูกถูกลากไปอยู่ที่ท่วงมาชัดแล้วนั่นแหละเขาเรว่าฮูชิร้อถูกถูกอัปบชมนุมกันอัลลอฮฺจะเล่าเรื่องสภาพวันบรรดาสมัยในบ่อยๆแล้วก็ยาซียะ ทุกวันทีานมาวนั่งนั่งคุกข่าน่ะคุกขานะ่กขาทำไมคุกเข่าตอนคิดบัญชีกลัวหมดเลยนบียังกลัวเลยตอนคิดบัญชีจะรอดหรือไม่รอดนั่งคุดขาา่าเป็นอ้อนวอนอ๋ออ๋ อ, อ, อจาอย่าลงโทษฉันเยอะนะวยดาโฮชิรอนน่าสุเมื่อมนุษย์ถูกให้ไปชุมนุมกันเราแปลเองที่ทุ่งมหัินะหลังจากตายลรฟื้นขึ้นมาจากสศสาน กาโนลาหุมอาดะสิ่งที่คุณบูชาสิ่งที่คุณขออุนจากอัลลอฮ์นั้นกาโนลาหุมอาดาแปลว่าศัตรูการเป็นศัตรูกับคุณหมดเลยคุณขอวิงวอนขอจากใครสิ่งนั้นแหละที่คุณขอเนี่ยัทนที่จะเป็นมิตรกับคุณไม่เป็นกับเป็นศัตรูเนาะร้อนเล่าเองนะสิ่งที่คุณวิงวอนอุนจากอัลลอฮ์บนโลกดุนยาเบนี้ก่อนตายเนี่ยนะ คุณเชื่อว่าเขาจะช่วยคุณช่วยคุณเนี่ยอาดากลายเป็นศัตรูหมดวากานูเบีอิบาเดติฮิมกาฟิริและการที่พวกภูเขาบูชากราบไหว้เจ้าเวท ต, ต่างๆเหล่านี้นะครับมันปฏิเสธบอกคุณไม่รู้เรื่องหน้าแตกไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นด้านอายานี้ประเด็ น, นสำคัญคือว่าอัลลอฮฺเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อสร้างมาแล้วมีกำหนดอายุว่ามีวันมีวันตายมีวันหมดอายุอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่คงเหลืออยู่แม้แต่นฬิกาที่เราใส่ยอยู่ก็มีว่าหมอายุใช่ไหมตัวเราเองก็หมดอายุสายตาก็หมดอายุายามายผมก็หมดอายุผมหมดอายุเนี่ยมันจะมาสีขาวก่อนใช่ไหมฟันก็หมดอายุไม่มีอะไรคงทนเลยหรับไ้ แต mm, e ่นบ right. ีเราเราอิมาเนยไม่หมดอายุอีมานตากัวยาตีนอิฮาซานอิคลาตเนี่ยห้าหรายการเนี่ยไม่หมดอายุนามานไม่หมดอายุทําความดีกับพ่อแม่ไม่หมดอายุมีรางวัลตอบแทนทวันวันกิยามันทําดีกับภรรยาก็ไม่หมดอายุภรรยาทําดีกับสามีก็ไม่หมดอายุทําดีกับพ่อแม่ไม่หมดอายุอีมาไม่หมดอายุตักัวไม่หมดอายุ นอกนั้นหมดหม ด, หมดอายุมาพระฤากีชั่วคาวกับิากีถาวร อ, อาซาลาไปว่าร่องรอยนะกุราอานอาซาลาปว่าร่องรอย ถ้าไม่มีเราทายก็เอาร่องรอยของมานมาให้ใ ห, ให้นบีดูหน่อยนี่ท่าจะขนาดนี้ไม่มีใครกล้าสักคนนึงอิสลามเนี่ยคนรับเยอะนะเพิ่มขึ้นทุกวันอินดอรเตอร์มาจากมาเลเซียคนหนึ่งมาก่อนมาถือศาสนาพุทธเป็นเป็นเป็นลู้สิษย์ดอ็ดอกเตอร์จากจีนเนกเขาเลือกมาพันคนเราก็เลือกมายี่สิบคนก็ได้คนนึ่มาคนหนึ่งเป็นคนที่ เป็นคนพูดรับอิสลามแล้วก็จะชวนแม่ไปทำให้รับอิสลามแล้วูกจะชวนยังไงก็ออกก็ออกก็ออก ก, ก็ออกวิธีมาว่าพอลูกคนนี้จะจะเดินทางไปต่างประเทศทุกปีปีละครั้งปีละครั้งสองครั้งแล้วก็ก็ถามปีนี้จะไปไหนปีนี้จะไปซาอุดิอาระเบียจะไปทำอุมรอบอกแม่ไปไหมแม่บ่ไปสิ ที่จะไปทำบวงรอบเนี่ยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นคนคนกราเฟตทําไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็แม่ฉันจะไปยังไงฉันไม่ใช่มุสลิมอังรับอิสลามก่อนสินี่เราเป็นการเชิญเมื่อแม่ที่ดีที่สุดคนแล้วก็ไปกันสองคนแล้วทำแล้ว ร, รับอิสลามไปแล้วจะชวนแม่ให้รับอิสลามในเรื่องยากนะคนที่มาเป็นมุสลิมจะชวนพ่อชวนแม่ให้รับอิสลามใ น, รม น, รมนเรื่องยากมากเลยก็แม่ไม่ยอมหรอก ที่ผู้หญิงอยู่คนมาเที่ยวบ้านผมเป็นเป็นหมอนวดจะชวนแม่รับเป็นราวเนี่ยชวนแล้วแม่ก็ด่ากลับมาอีกอมันต้องใช้ปัญญาตัวเองบ้างนะพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละให้ยี้มหมายมันเพิ่ม มีอยู่คนหนึงราภรับอิสลามเคยไปเยี่ยมพ่อแม่ปีละครั้งในวันคริสต์มาสพอต่อมาก็เปลี่ยนมาไปเรียนเยี่ยมพ่อทุกๆเดือ น, เ ด, อ น, เ, ดอนเดือนละครั้งก็ต่อมาเออเอาใหม่ทุกอาทิตย์เลยไปเยี่ยมพ่อที่บ้านเยี่ยมเยี่ยมได้สามปีพอ่อบริทนขเป็นเป็นอย่างยาแย่แนนี้ได้ไหมดีมากเลยอิสลามสอนในคนเปลี่ยนแปลงชีวิต รับอิสลามโดยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสอนในการปฏิบัติการกปฏิบัติของเราเนี่ยจะทำให้คนเนี่ย إ ม م ا เพิ่มเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ได้กี่อายาแลนเนี่ยหกพอยังอะ่ะพอพอแล้วนะ สุร อ, อะไรนะอากอบอากอบไปอะไร น, นะกองทรายหรือ ว, ว, ว่าสารทรายหรือแปลว่าภูเขาทรายหรือว่าเนินทรายภาษาไทยเนี่แปลได้กว้างภูเขาทรายสารทรายเนินทรายคนที่ไม่ยึดอัลลอ์เนี่ยถูกลงโทษหมดตอนนี้น ต, ต, ต, ตั้งแต่แบกจากบ้านมามามาัมาสยิดแล้วคนที่เป็นคนชั่วจะพูดบอกว่าคุณจะพาฉันไปไหนอีลาอายนยศฮาบูนะบิฮาตอนแบกนะ น, นะถ้าเป็นคนดีก็ ด, ดีมูนีให้รีบพาฉันไปไวๆนี่มันเรื่องจริ ง, รงทั้งหมดนะบีเล่าให้ฟังพอจับใส่โลงพอแบกขึ้นบาเนี่ย คนชั่วจะพูดว่าอิลาไอนายาสาบูนาะบิฮาจะพาฉันไปไหนฉันไม่อยากไปถ้าเป็นคนดีนะ่เรียบพาฉันไปไวๆไวพาไปฝังอย่าลืมว่าการฝังนั่นก็เป็นาศาสนานะนอนในกุโบนีนะ่อยากคิดว่าสนุกนะมีอาสาบนะมีการลงโทษด้วยนะเ้่นพ่อแม่ ที่ตายใบพลร ต, ต้องขอว่าให้ท่านด้วยขอว่าเงี้ยรอบบีกฟิน ล, ลีวาลิวาลยาวาร์ัามพูมากามาร บ, บายานีสรอร์รีอะไรที่ยุนนักอุรานะเป็นดูอาณนะดีหมดเอาตัวเองร้อยคนเดียวไม่ได้คิดถึงมาป้าเสียชีวิตไปแล้วเพราะอาจารนกกูโบนทรมานนะาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะ س ب ح ا ل ل ه u m m บิ حم ดิค่า ش د a l l a h ิ لاه ิ ل ا أ ن أ ق ك